พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าออกพรรษาอย่าสรรหาสิ่งไม่ดี ตอนนี้ไปตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อเช้าคณะจตทธาญาติโยมลูกหลานมาตักบาทก็รู้ซึ้ว่าอบอุ่นมากมายไม่รู้จักมาจากทางทิศสารทิศไหนมาทุกขนแห่งหลวงพ่อก็ได้ถามแต่ละกลุ่ม ก็มาไม่ใช่มาใกล้เลยมาไกลาบางทีมาตั้งแต่สามสี่ทุ่มตั้งอกตั้งใจมาเพื่อจะได้มาทำบุญเห็นแล้วก็หน้าปลื้มใจกับลูกหลานาที่มาจากทางไกลที่มาอุตสาหะพยายามมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเช้าแต่ตอนเที่ยงวันนี้ก็พระสงฆ์ทั้งหมด หกสิบกว่ารูปในมารวมกันประวารณาในสงฆ์อย่างที่ลุงพ่อได้พูดการประวารณาก็คือบอกกล่าวเปิดกว้างให้หมู่พวกเพื่อนตักเตือนว่ากล่าวได้อันนี้ก็เป็นหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เป็นเปิดให้คนอื่นชี้ บอกกล่าวในการกระทาของตนเองที่ตัวเองมองไม่เห็นหมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันผู้มีปัญญาเหนือกว่าท่านมองเห็นเราก็ท่านจะได้แนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราที่อยู่ด้วยกันในเมื่อตอนเที่ยงเราก็ได้ภวรณากันจบลง แต่ตอนเย็นนี่ก็คณะจัดทาญาติโยมได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ทำคารวะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีในช่วงวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาพวกเราก็ได้กลับคารวะทำวัดมุดน้ำดำหัวรอบหนึ่งแต่เมื่อออกพรรษาพวกเราจะได้แยกย้ายกันพวกเราก็ได้ กาบคารวะกูบาอาจารย์มุดน้ำดำหัวว่าทำวัดพระสงฆ์ที่ขอขมาลาโทษในช่วงเทศาการออกพรรษาวันนี้เป็นวันออกพรรษาก็เป็นอันเสร็จสิน้นแล้วก็ได้ร่วมกันทำวัดสวดมนต์จบลงไปแล้วต่อนี้ไปหลวงพ่อก็จะได้กล่าวเรื่องราวอะไรให้ฟัง ที่พวกเราควรจะรู้ควรจะรับรู้รับทราบแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะไม่ได้พูดนานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะว่ามันภาระทุระท้งวันหลวงพ่อขอพักผ่อนพออายุถึงปูนนี่แล้วฮจะพูดทั้งวีทั้งวันจะนั่งตลอดลก็คงจะไม่ถูกต้องกังวังทุกร้านอันนี้ก็คือความเหมาะสม สำหรับหลวงพ่อนะแต่ทั้งยังไงก็อดเป็นห่วงคณะตถาญาติโยมพระเนรลูกหลานไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันแห่เทศจการออกพรรษาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้วันให้ออกพรรษาแต่วันคืนเดือนปีฮให้ออกพรรษาแต่วันคืนเดือนปีแต่จิตใจของเรา อย่าห่างเหินจากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าว่าพวกเราห่างเหินจากคุณธรรมศีลธรร ม, รรมจริยธรรมนั้นไม่ดีเลยพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าความแก่เจ็บตายตามเราตามาหลังเรามาตลอดเราจะไปชะล่าใจไม่ได้นะถึงยังไงถึงจะออกจากวัดวาศาสนาไหว้พระสวดมนต์การบาเพ็ญคุณงามความดี รักษาศีลบางครั้งพวกเราก็ควรจะรักษาถึงจะไม่มารักษาอยู่ในวัดก็รักษาอยู่ในบ้านตนเองก็ได้อย่างที่หลวงพ่อได้แนะนาบอกกล่าวแต่ถึงยังไงรักษาศีลในวัดจะดีกว่าเพราะมันจะเป็นจิตจลรกษณะในจิตใจของเราแต่รักษาศีลข้างนอกก็ได้แต่ว่าต่อไปมันจะเรื่อนรางเรื่อนรางไปเรื่อยๆเพราะเหตุใดเพราะใจของเราน่ย มันชอบมักง่ายมันชอบไปในทางกิเลสราคะโลภโกรธลงเพราะนั้นวันแปดคำสิบห้าคำควรจะหันหมุนตัวเองเข้ามาสู่หลักธรรมคำสอนสู่วัดวาศ า, ศาสนาได้นั่นละเลิศประเสริฐอันนี้ทางนี้ทางนั้นที่หลวงพ่อแนะนำบอกกล่าวเหมือนแนะนำเข้ามาหาตัวเองเขาไม่ใช่ ให้พวกเราสังเกตในเมื่อหลวงพ่อพูดฟังให้ฟังแล้วแต่หลวงพ่อไม่ให้เชื่อทีเดียวนะให้สังเกตมันจริงไหมทํามันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดก็แสดงว่าหลวงพ่อพูดจริงแต่หลวงพ่อคิดิทีทวนแล้วยังค่อยพูดอนะ่ะแต่ว่าสําหรับพวกเรานั้นก็ให้ดูตนเองเพราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหลวงพอ่ออผมอยู่ยังไงผมก็อยู่ได้เออก็ แสดงว่าใจของเราเป็นคงที่มาตรฐานพอสมควรแล้วก็คงอยู่อยู่ลักษณะนั้นได้แต่ถ้าว่าใจของเรายัางตั้งต้นตั้งลายังไม่ได้ยังเลาะเลาะแหละงอนแงนคอนแคนอยอู่พร้อมที่จะล้มละเลงละลายถ้าเป็นอย่างนั้นกับหลวงพ่อพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอะ ดันถึงยางไงก็ตามขอขอให้พวกเราทุกๆุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแพบหน้าชาติหน้ามันมีนรกสวรรค์มีกรรมดีกรรมชั่วมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่มันชั่วอย่าทำอย่างที่หลวงพ่อเน้นยับอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้ก็ได้ยินได้เห็น ศรัทธาญาติโยมมาหลายคนนะมาผ่านวัดหลวงพอ่อมาแล้วก็จะไปกราบจะไปดูบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคเขาก็ยังล่ำาลือกันอยู่ตามาจริงพญานาคหลวงพ่อก็เคยพูดมาหลายครั้งมีไหมตามตำรับตำราก็มีตำราเมื่อพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าไปโปรดฉะดินสามพี่น้อง ท่านก็ไปนั่งอยู่กองทรายที่เสดินทั้งหลายขนทรายขึ้นไปในกองใหญ่พญานาคเอาไปห่วงไปห่วงไปห่วงไปห่วงไปห่วงไม่ใครไปไม่ได้พญานาคพ่นเพชรใสคนก็กลัวแต่พระพุทธเจ้าได้ปราบปราบนาคตัว น, นั้นอยู่มัดจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีหลายเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับนาคนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในสระน้ํานั่งในขอบน้ําสะมุดจลินพญานาคกมาแพ่พังธ์พานปกคุมพระพุทธเจ้าถึงเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดคืนที่ฝน ไ, ไม่ให้ฝนตกถูกพระพุทธเจ้าอ น, นั้นก็มีพญานาคแต่ก็บางทีก็พญานาค ก, ก็ขี้โมโหเหมือนกันนะ อย่างที่พระพุทธเจ้าจะเดจขึ้นไปสู่สวรรค์พญานาคก็เห็นพระสงฆ์ายพร้อมกับพระพุทธเจ้าขึ้นไปพญานาคก็ปิดท้องฟ้าไม่ใช่ธรรมดานะอิทธิฤทธิพญานาคนะพระพุทธองค์ก็ให้พญาพระโมกขรามไปทำความเข้าใจไปขอทางแต่พญานาคไม่ยอมปิดทางจนได้ถึงกับแสดงฤทธิ์ต่อกันผลที่สุดพญานาค ก, ก็ยอม ดูดูแล้วก็พญายนาคเนี่นักนักกีฬาเหมือนกันนะถ้าแพ้เนี่ก็คือแพ้ยอมยอมกับพรลีล่ยโอสิโลลาบเรลยวกันถ้าพอถ้าแพ้แล้วยอมล่ะถ้าวาดิทธิอำนาจสู้ไม่ได้แล้วไปว่ายอมเลยวันนี้อันนี้ก็คือหลายเรื่องอยู่ในพระไตรปิฎกมากทีเดียวเลย เรื่องพญานาคเรื่องเทวดาภู ม, มิลุขะเทวดาครุดนาคที่มองไม่เห็นแต่เป็นพวกนี้พวกท่านเหล่านี้เป็นกายเจสิต ท, ที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อมนุษย์ก็คือเป็นภพภูมิหนึง่งครดกับภพบภูมิหนึง่งนาค ก, กับภ พ, บพบภูมิหนึง่งภูมิมะลุขะเทวดาภูมิมะเทวดาก็ภูมิก็อยู่สถานที่ อยู่ภูเขาบ้างอยู่ถ้มบ้างอยู่ที่เนินบ้างอันนี้ก็คือภูมิเทวดารุกขเทวดาก็คือผู้ที่อยู่รักษาต้นไม้อยู่ในถ้ำอยู่ในต้นไม้อันนี้เปลว่ารุกขเทวดาอากาศธาตุเทวดาอยู่ในอากาศจากนั้นก็พกชั้นจาตูมสวรรค์ชั้นจาตูมแล้วก็ สวรรค์ชั้นยามาดาวดึงตุจิตตาสวรรค์หกชั้นจากนั้นก็โพตรพรมอีกพรมก็มีหลายชั้นจากนั้นก็พรมสุทธาวาสที่ผู้ที่เป็นพระอนาคามีมีอยู่ห้าชั้นจากนั้นก็พระหันแปลว่าสูงสุด ในการบําเพ็ญนี่แหละอันนี้ก็คือแต่ละชั้นแต่ละภูมิก็มีมากแต่พระพุทธเจ้าท่านมียานรัตนะท่านมองเห็นพระหันท่านมียานรัตนะท่านมองเห็นภพภูมิต่างๆแต่พวกเรามองเห็นตั้งแต่สัตว์ที่ไรฉานกับมนุษย์แต่นอกนั้นเรามองไม่เห็นมนุษย์แต่สัตว์ที่ไรฉานนี่ก็มองเห็นแต่ตัวใหญ่ วางตัวเราก็ตัวเล็กๆ เ, เราก็สองกล้องด้วยกล้องจุลทรรศหาเชื้อโรคเขาก็มองเห็นในร่างกายของสรรัตว์รสร่างกายร่างกายของมนุษย์นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราจะปฏิเสธทีเดียวแบบหลับหูหลับตาไม่ฟังไม่เชื่อไม่ฟังใครฉเฉยมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันน่ะถ้าไม่ง่จนเกินไปนะ ถ้างโง่แบบตาบอดก็ยังว่าเนี่ยตาบอดทั้งโง่อีกต่างหากไม่ยอมฟังใครอีกต่างหากอันนั้นก็อย่างว่าดนะเหยียบความเกียบน้ําไปเลยแต่ไม่รู้จะทํายังไงจะช่วยยังไงไดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่มีสิทธิ์ที่มีครูบาอาจารย์ที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังมาแล้วก็สังเกตใ ห, ให้โอปัญญโกเอหรือว่าน้อมนำำําคําสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นนามาคิดมาพิจารณาดูสิมันเป็นยังไงหลวงพ่อว่าทางว่าพวกเราโอปัญิโกโย้อนความรู้ความนักคิดเข้ามาหาตัวเองเออจากนั้นก็ดูรอบด้านรอบข้างตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำบอกกล่าวหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราคงจะ ไม่เชื่อมากก็ต้องเชื่อน้อยละต้องเชื่อทีเดียวเลยละ่ะถ้าพวกเราปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยไม่ใช่ของหลอกของเล่นไม่ใช่ของแปลกของปลอมเป็นของจริงถ้าลงมือปฏิบัติเข้าไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองการที่จะทําสมาธิทําอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนําบอกกล่าว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็นแนะนำสมัตะคือทำจิตใจให้สงบเราทำยังไงนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งถูกกี่หนพวกเราปฏิบัติตามนั้นล่ะตามที่หลวงพ่อได้พูดจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้เดินทางวิปัสนาเดินวิปัสนาคือนึกคิดหาเหตุผลค้นคว้าศึกษาหาเหตุผล ในเมื่อพวกเราค้นคว้าศึกษาหาเหตุผล เ, เมื่อเหตุผลจุดไหนกันนำคิดจนสุดค้นคว้าจนสุดในเรื่องนั้นๆเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงในระดับหนึ่งแล้วนะใจของเราก็ไม่รู้จะยึดไปรู้จะยึดไปอะไรไม่รู้จะถืออะไรเป็นมากมาย เออมันก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็อยู่ที่ใจสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอ น, สอนของพระพุทธเจ้านะมันไม่หนีจากหลักใจนะสะศรัทธาญาติโยมโ ล, ลูกหลานแต่มันก็เข้าจุดนี้มันเข้ายากเหลือเกินเข้าหาหลักใจเนะี่ยแต่ถึงยังไงท่านก็ให้พิจารณาทางสมถะซะก่อนเมื่อจะเข้าพิจารณาใจจะกลับจับจะกลับเข้าไปหาใจหรือพิจารณาใจดวงนั้น ต้องพิจารณาร่างกายซะก่อนคือม้างกายซะก่อนตีกายให้แตกซะก่อนรู้เท่ารู้ถันร่างกายซะก่อนเพราะว่าใจของเราเนี่ยหวงห่วงร่างกายหลงร่างกายอย่างมากๆเออมันหวงหวงร่างกายของตนเองคิดว่าร่างกายเนี่ยมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเห็นคนอื่นตาย เ, เขารักษาสุขภาพไม่ดีอ่าไม่รักษาสุขภาพการหลับการนอนการ เป็นอยู่ประมาทเกินไปชีวิตก็เป็นอย่างนั้นล่ะสิทำท่าพูดให้เขาพออีกสักวันหนึ่งอินเนาเป็นเองเถนี่พูดไม่ออกมันลักษณะอย่างนั้นโลกอันนี้ทีเขาทีเราเพราะนั้นไม่มีใครที่จะอยู่โชคฟ้าดินสลายไปได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พูดหลวงพ่อพูดให้ฟังนี้เหล่านี้นั่นแหละให้พวกเราทบทวนดูเนี่จริงไม้ม พอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้พูดเอาความจริงเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาแนะนำมาบอกกล่าวสรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลาย อ, าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกไม่รู้ว่าวันไหนมันจะมาถึงพวกเราเพราะนั้นก่อนที่จะมาถึงพวกเราเราก็ให้เตรียม สเสบียงเดินทางหาทุนนหาทุนนะทรัพย์อรวบรวมทุนทรัพย์ทรัพย์พพสมบัติเข้าสู่จิตใจให้เพียงพอแล้วไม่ต้องกลัวเลยแต่ถ้าว่าทรัพย์สมบัติดูในจิตในใจของเรายังไม่พร้อมนะหวัดวันนะหวัดวันนะวันไหวไกวแข่งนะ เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ภาวนาแล้วก็พร้อมกันในช่วงนี้เป็นช่วง เทศการออกพรรษากรถิ่นนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงกรถิ่นนะคณะทัตไทยญาติโยมให้ช่วยช่วยการคิดว่าจะทํำยังไงตลอดถึงการเลี้ยงแขกเลี้ยงคนตลอดตลอดถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดถึงสถานที่ต้อนรับขับสู้ต่างๆนั่นแหละให้ช่วยช่วยกันคิดจะโยนให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นงานนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ต้องเรียงหน้ากระดานกั น, นเคียงบ่าเคียงไหลกันที่จะทํำยังไงจะให้งานเรื่องนี้ผ่านไปได้แต่ก็ต้องผ่านไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าผ่านไปแล้วนะมันไม่ดีเป็นที่ตําหนิของคู่คนเป็นที่ตําหนิของพวกเรากันเองเออมันก็ดูๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราเขียงบ่าเคียงไหล่ทากันด้วยดีะ งานออกมาก็ไม่มีเป็นที่ถูกกับโลกสมมติเขาโลกสมมตุติต้องการยังไงเป็นยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นพวกเราก็จะได้ภาคภูมิใจไม่ได้ตําหนิพวกเรากันเองแล้วก็เราก็ภาคภูมิใจว่าพวกเราได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือมือไม่ให้ขาดตกบกพร่องถูกต้องตามกฎธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ลูกเราก็จะได้ภาคภูมิใจแต่ถา้าพวกเราทำไปคนละทิศคนละทางแต่แยกสามัคคีกันอีกนะไม่ดีแน่นะณารศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเด็กหลวงพ่อไนะมีแต่มองมองพวกเราทุกๆุท่านนะนะแต่ถึงข่าวพูดหลวงพ่อก็จะพูดถึงเราขาวไม่พูดก็หลวงพ่อก็ไม่พูดนะ เ, เห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้พูดเนะมื่อวานนะ หลวงพ่อนิ่งฟัง เ, เพราะว่ามันไม่ใช่สถานะที่หลวงพ่อจะพูดเพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าของให้คนอื่นเป็นคนพูดนะแต่งูุงหลวงพ่อเป็นคนฟังแต่ฟังหลวงพ่อเขาฟังบางสิ่งบางอย่างหลวงพออ่อก็ไม่น่าจะพูดอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไร เ, เพราะว่ามันหลายคนหลายแนวความคิดแสดงความคิดเห็น แต่ที่ยังไงก็วันออกพรรษาเนะะี่ยช่วยๆกันพิจักูบาทั้งหลายแหละตลอดถึงสัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมทั้งในครัวทั้งดูทั้ ง, ร, งรอบด่านทั้งหมู่บ้านต่างๆให้ช่วยๆกันดูดูว่าทำให้ดีที่สุดเนะี่แล้วก็จบละที่ว่าดีที่สุด ดีที่สุดของพวกเราพอว่าพวกเราอยู่อย่างนี้ความพร้อมขนาดนี้พวกเราให้ช่วยๆกันคนละไม้มือแต่ถึงยังไงก็ตามพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระทั้งหลายนะถ้าจะออกไปเข้าไปในหมู่บ้านตามไม่จริงต้องคลองผ้านะจะไปดืนเอาผ้าอาบน้ำปกไหลเฉยเฉยไม่ถูกต้องไม่ถูกตามขนทรรมทำเนียมหลักทำวินัยจะไปทำจริงไหนก็ตาม ได้เต่าเสียหมาไม่ดีเสียตัวเองเสียหลักพระธรรมวินยัยได้ของภายนอกไม่ดีมันต้องได้ทั้งหลักพระธรรมวินัยด้วยได้ทั้งศีลทางธรรมด้วยได้ทั้งภายนอกด้วยอันนั้นจึงเลิศประเสริฐไม่ใช่ว่าทำอะไรออกนอกรูกนอกทางได้สิ่งของมาแล้วทำไปเลยออกนอกรูกนอกทาง จะอยู่จะกินเหมือนกับฆราวาสญาติโยมใช้แบบของแบบฆราวาสญาติโยมแต่งตัวเหมือนฆราวาสญาติโยมแล้วมาทํางานสิ่งของเพื่อพระพุทธศาสนาดูๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องนะมันไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระก็คือเรื่องต้องสำรวมกายวาจาใจกายวาจาใจของตนเองให้เป็นพระ เราอยู่ในสถานที่ใดเราเป็นพระเราไม่ใช่ฆราวาสนะเราเป็นพระเข้าใจไหมต้องสอนตนเองอย่างนั้นหลวงพ่อจะให้พวกเราสักหลายสอนตนเองนะหลวงพ่อเนี่ยภาคภูมิใจในตนในพระของตนเองอย่างมากเลยนะเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ออกนอกลูก่นอกทางเราอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในหลักทำคําสอนการที่จะทําการที่จะทําการที่จะสร้างอะไรออกนอกลูก่นอกทาง เรามองดูแล้วเรายังไม่เคยนะเพราะด้นพระเนนของหลวงพ่อทุกองค์นะอย่าไปสงนอกเกินไปอย่าไปคิดทางนอกเจนเกินไปต้องคิดรักษาธรรมวินัยเพราะเป็นสมบัติของตนเองเป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาจะอยู่นานเท่านานแต่ถ้าตัวเองทําไม่ถูกนะถึงจะได้สิ่งของมาก็เถอะเสียหาย ได้เต่าเสียหมาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้เต่ามาแต่เสียหมาหมาราคามันแพงกว่าเต่านะถ้าหากว่าหมาไม่ตายจะต้องจะหาล่าตัวไหนก็ได้ล่าได้มากได้มากกว่าเต่าอีกฮะแต่หมาตายแล้วมันหมดหมดสภาพได้เต่าตัวเดียวแล้วก็จบหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันได้สิ่งของมาแต่เสียตัวเองมันจะเกิดประโยชน์อะไร พอสร้างอะไรขึ้นมาทำอะไรขึ้นมาจบแล้วเอาฝังกระดูกตัวเองไว้ในฐานพระเจดีย์ฐานโบสฐานวิหารฐานศาลาฐานวัดฐานกําแพงมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันเสียหายเสียพระพุทธศาสนาอีกต่างหากไม่ใช่เสียของเรานะพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาของผู้ใดใครผู้หนึ่งนะไม่ใช่พุทธศาสนาหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินจะเป็นเจ้ากี่เจ้าการ เจ้ายศเจ้าหยาสั่งการสั่งงานทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละพระยาโยมเขาหญิงเขี้ยวสะดูนะเอามาเถอะลงพยอินได้ถ้าว่าทาไม่ดีเดี๋ยวนรกยังไม่เต็ม เ, เขาจะว่าอย่างนั้นอีกพวกเราท่านทั้งหลายฟังดูนะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ในสัมมาคารวะ อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้เป็นผู้มีศีลสงศิ์ศีลนั่นลหละเป็นเครื่องประกันไม่ให้พระตกไปในทางที่ชั่วนะถ้าพระไม่มีศีลพระเป็นอรัชชีอรัชจิตาเป็นผู้ไม่มีฮิริโอตปะนะใช้ไม่ได้นะพาลูกพลาล น, นะพวกท่านทั้งหลายนะถ้าตอนนี้ไปให้พระเปิดเอ็มพีสามเนะเตรียมเตรียมเปิดเอ็มพสามอาวคณะจัตตาญาติโวมพระ ทุกองนั่งคัตสมาธิฟังนัตถณีนะฟังเทศได้สักการหนึ่งวันคืนนี้ไม่น่าจะนอนเลยก็ได้นะเอาเนชัชชีเลกคืนเนี่ยแต่จะไปคุยกันได้ละเอาเนชัชชีเราไปคุยกันทั้งคืนไม่ได้เรื่องนะนั่นละยิ่งไปตกนระกเลอกอีกไปอีก เ, อเวลาเนชัชชีก็ไปต่างองค์ต่างอยู่ไปภาวนาพุทโธพุทโธโทรศัพท์ปิดไม่ใช่ เดี๋ยวนี้ดูดแลโทรศัพท์ในวัดของเราพระใหม่ใช้โทรศัพท์นะหลวงพ่อเคยด่าแต่เอาเถอะนะพอหมดทุ่นนี้แหละหลวงพ่อจะเข็นนะเรื่องโทรศัพท์นี่นะแต่ขนาดหลวงพ่อเองผมหลวงพ่อไม่มีแต่หลวงพ่อไม่ได้เปิดเวลาจะใช้จึงเปิดเพราะในระดับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อคิดว่ามันก็จําเป็นในระดับหนึ่งแต่สําหรับสูญเจ้ามีแต่นั่งคุยกันมันเรื่องสัพเพเหระมันเรื่องอะไร ต้องการอะไรมีอะไรน่มันไม่จะเรื่องเสียทั้งนั้นเรื่องทำให้จิตใจส่งออกนอกทั้งนั้นเสียหายไม่เรื่องเรื่องอะไรผลพุทธชุดเออเรื่องลามกจกเปรมันก็อยู่ในนั้นอีกเหมือนกันทำให้จิตใจของท่านพวกท่านทั้งหลายผลพุทธชนุน่ะทะเลาะ ก, กันอีกเ อ, อ่หาค่าโทรศรัพท์เ อ, อใส่ใน ข่าใช้ใจ่ในโทรศัพท์อีกต่างหากมันเรื่องบาปกรรมทั้งนั้นหละสู่เจ้าทั้งหลายระมัดระวังนะเราเป็นพระนะพอโยนทิ้งโยนทิ้งนะจะไปเอารักษาไว้นะเอาเปิดเทปได้